ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายที่เราจะเชื่อมโยงจากสอนเช้าคือต้องการอยากจะให้มีการควบคุมการติดต่อกันในการศึกษาพระธรรมคาสอนของพทธเจ้าด้วยว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นว่าเมื่อเราศึกษาคาสอนของพทธเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อเช้าได้พูดถึงอักขละที่เชื่อมโยงว่าอักขละตัวแรก ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับอักขระตัวสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสคำแรกคำขึ้นต้นของอักษรกับคำสุดท้ายที่พุทธเจ้าหยุดพูดฉะนั้นในคำแรกที่บอกว่าเราเที่ยวค้นหาตันหาที่เป็นตัวสร้างเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปเราเที่ยวค้นหาตันหาเนี่ย ได้กล่าวไว้แล้วคือการมาตฐาพวัตรานาวิพรวัตนานัานสามสิบหกบวกกับหาอาดีตสามสิบหกอนาคตสามสิหกรวมเป็นตานร้อยแปดที่เป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบเนี่ยมาจากคาว่าไม่พบโพธิญาณก็จำต้องท่องเที่ยวจำต้องท่องเที่ยวไปสู่การเวียนไหวตายเกิด ท่นใช้กระสู่ความเวียนตายแล้วก็เวียนเกิดตลอดชาติเป็นอันมากก็คือปฏิสนธิชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันตชาติใช่ไหมชราอันตชาติสังเสรชาติชาติข้าพเสรยากาศชาติแล้วก็โอปป า, า, าติกาชาติไม่ว่าจะการไปเตจสุนที่เป็นเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่เกิดในอย่างเหนียวแล้วก็เกิดผุดขึ้น นับไม่ได้เลยเนี่ยการเกิดนาการเกิดบ่อยๆเป็นทุกอยู่ลําไปดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพท่านปารบเลยดูก่อนตัณหาดูก่อนกามาตัณหาพวตัณหาวิปวัตนววตนานผู้สร้างขันผู้สร้างอายตนะผู้สร้างท่านเราถูกเราเจ้าถูกเราพบเห็นแล้วเจ้าจะสร้างเรือนต่อไปอีกไม่ได้ สจำนวนตรงนี้ก็คือว่าสีข้างของเจ้าทุกชิ้นเราก็หักเสียแล้วโค้งเรือนนั่นเองใช้คําว่าสี่ข้างโค้งเรือนทั้งหมดเนี่ยเราก็หักแล้วเจ้าจะสร้างเรือนต่อไปอีกไม่ได้ยอดเรือนเราก็ลือแล้วยอดเรือนช่อฟ้าทั้งหลายจิตของเราบรรลุถึงธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งแล้ว คือเจตนากรรมต่อไปไม่มีแล้วสังขารนั้นไม่มีแล้วเราบรรลุถึงธรรมเป็นที่สิ้นดันหาแล้วพระพุทธพระพจน์ตรงเนี้ยอาจารย์แต่ก่อนนั่นกล่าวว่าเป็นพระปฐมพุทธพุนธตั้งต้นด้วยอัคคระอ้ออ่านอะเนยใช่ไหมตั้งต้นไว้อ้ออ่านอเนียกชานะอ้อตอนนั้นนะเห็นไม้มเป็นคำแรกที่พทธเจ้าตรัสรู้แล้วพูด นั้นอาคกละตัวแรกนั่นคืออ่เหมือนคําอเนกะเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นท่านจึงตั้งด้วยออ่างทีนี้อัขละคือถอถุงใช่ไหมที่ถาเนี่ยเป็นที่สุดหมายถึงพุทธรรมหลักครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริพญาภ า, ายใต้ต้นสาราทั้งคู่ในอุทยานแห่งมลรคกษัตริย์ในกรุ่มกุศนารานอันนั้นเป็นพหุจำหลักที่มีอักษร ถะคือถอถุงในเป็นอักขระสุดท้ายเช่นอามันตายามีโวพิกเวปฏิเวทยามีโวพิกเวขยาวยาดมมาสังคาราอปมาเดนะสัมปาทีถะเพราะถะตัวนี้ไม่มีต่อไปไม่พูดอะไรอีกแล้วนั้นภิกษูตทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าเราขอเก่าวย้ำแก่เธอทั้งหลายว่าขอเตือนและขอย้ำพิกษูตพิกษุตรนิบาสกและบาสิกาทั้งหลายเนี่ยนะ เราขอเตือนเธอทั้งหลายเราขอย้ำแก่เธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรมรมดาเธอทั้งหลายยังประโยชน์ตนจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นในถึงพร้อมด้วยกันไว้ขอตรงนี้บ่งบอกถึงธาตเนี่ยสมปารถิธานเนี่ยอันนี้เป็นอัคคระที่สุดขึ้นอักและลงถัดสี่สิบห้าปีตรงกลางทั้งไม่นับพอเยอะ ตั้งแต่นั้นมารูปปฏธรรมใช่ไหมขันห้าของพระเจ้ารูปรเบทนาสัญญาสังขารมิญญาณเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยจกไม่มีพระกรุณามาเฝ้าจ้องอนัตถนาตลอดขอให้พระองค์อปรินิพานเสียถ้าพระองค์บอกว่าได้สมมาสัมโพธิญาณและพระองค์ปรินิพานก็จะมีไม่มีคําว่าอะและถ่ายลงท้ายด้วยนั่น ที่จริงในคำว่าอามันดาญาโวภิกเวปฏติเวดาญาโวภิกเวขยาวยาดัมมาสังการาอ ป, ปมาเดนะสัมประริธานเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้นี่จริงๆินี่ขึ้นอ่านลงฐานเหมืนอนอเนกฉานเพราะพระธรรมดัดหัดนี้เป็นพระดัมหลัดสุดท้ายต่อแต่นี้ไปแล้วก็ไม่ได้มีพระดําดหัดอีกเลยนั่นคือ จนเสด็จดับขันธพณิพันธ์นั้นสังเกตอคติตัวสุดท้ายพระํารัสก็คือถัดตรงนี้ก็คือคถาที่ท่านบารมีไว้หมายถึงขึ้นต้นในอหและลงท้ายด้วยถส่วนในตอนช่วงกลางกางทั้งหลายนั้นก็มีมากมีมากนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสังเกตฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อกี้ที่ปรารบและกสนธนากันก็บอกว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นที่มี ตระหนเป็นพระไตรปิฎกก็มีทีคนิกายหมวดธรรมที่เป็นเรื่องยาวๆมัชฌิ ม, มนิกายหมวดธรรมที่เป็นเรื่องขนาดกลางสังยุตานิกายหมวดธรรมที่ยอ่ยอๆอังคุตระนิกายหมวดธรรมที่เป็นหัวข้อบคุถกกานิกายหมวดธรรมเบตเตเลททั้งหลายเหล่านี้เนะีในห้านิกายเหล่านั้นมีความลึกซึ้งอยู่สี่ประการอัตถะคัมพีระก็คือลึกซึ้งโดยอัตถะธรรมคัมภีระก็คือลึกซึ้งโดยธรรม เทศนาคัมภีร์ะ ก, ก็คือลึกซึ้งโดยเทศนาปฏิเวทคัมภีร์ะ ก, ก็คือลึกซึ้งโดยปฏิเวทหมายถึงการที่จัดแทงตลอดพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธมีภาคเจ้าซึ่งกําหนดด้วยนิกายและความคัมภีรภาพห้าประการดังกล่าวสี่ประการดังกล่าวนี้เป็นสภาพที่ลึกซึ้งเป็นสภาพที่ชี้แจงสมบัติทั้งสมประการนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติแก่สรร พ, พ สัตว์ทั้งหลายในภพนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลตามสมควรแก่าการปฏิบัติอย่างแน่นอนตรงนี้ก็นั่นคือประโยชน์แห่งการอุบัติเกิดขึ้นของพระผู้มีพระงาอ ย, ย่างตรงนี้เราก็มาสังเกตก็เชื่อมโยงตรงที่ว่าเมื่อพระองค์เนี่ยอุทานตรงนั้นน่ะนะในด้านของของว่าพระธรรมที่พระองค์ทรง ต, รงตัดสรู้เนี่ยและพระองค์ก็บอกว่า ตนเองพบสัมมาสัมโพธิญาณยังเจอเนี่ยก็มาเชื่อ ม, มโยงเมื่อเช้าบอกว่าในพระธ ร, รคําสอนที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้โนุตระ ส, สัมมาสัมโพธิญาณในพระมสังยุทธ์ที่บอกครั้งนั้นน่ยความปริวิตตกได้เกิดขึ้นกับพระบรมศาสดาทำที่เราตรัสรู้เนี่ยลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบแล้วก็ประณีตคาดทะเนียวไม่ได้คือไม่ใช่เป็นวิสัยแห่งความที่จะไปคาดทะเน ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตตรงเนี้ยตอกย้ำคาว่ารู้ได้เฉพาะบัณฑิตเนี่ยก็คือว่าก้อมูสัตว์นี่และยังยินดีด้วยอะไรยินดีแล้วในอะไรคือยินดีในอะไรนยแล้วยินดีแล้วแล้วก็เบิกบานด้วยคือไปห่วงมุทิตานีวัตถุกรรมแล้วก็กิเลสกา ร, รมอยู่ ถ้าเราเห็นผลผลผลผิตของตัณหามาเมื่อไหร่แล้วก็พากันเยโยชื่นใหญ่นนี่ไงเป็นผู้เบิกบานแล้วก็ฐานะนี้คือความเป็นความเป็นปัจจัยธรรมมีสังขารเป็นต้นเนี่ยใครเห็นได้ถามว่าวิชาปัจจยาสังขารลาสังขารและปัจจยาวิญญาณเนี่ยธรรมที่มีปัจจัยประชุมบุงแก่งมาอย่างมากมายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่มากไปด้วยอะไรเนี่ยจะมาค่ค่อน แคะแกะเจาะลึกปัจจัยที่ลึกซึ้งอย่างเนี้ยไม่ได้ฐานะทำมาสัยกันและการเกิดขึ้นอันหมูสัตว์ผู้ยินดีด้วยอะไรยินดีแล้วในลายเบิกบานแล้วอะไรจะเพิ่งเห็นได้ยากโดยสรุปตรงลงไปก็คือว่าอริยสัตว์เนี่ยเห็นยากปฏิจจสมบาทเนี่ยเห็นยากนิพพานเนี่ยเห็นยากใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเห็นยากแล้วเนี่ย ศาสตร์ที่มากไปร่อยอะไรเนี่ยเพราะอะไรนิพพานเป็นธรรมที่สละอุปธิเป็นธรรมที่เสื่อตัณหาเป็นธรรมที่สำรอกเป็นธรรมที่ดับนั้นนิพพานเนี่ยก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมอย่างนี้ยจะจะแสดงให้สัตร์เพลิดเพลินไปวันๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกระดับพุทธเจ้าไป็นเรื่องง่ายมากหรืออย่างทุกวันเนี่ยนะถ้าเราจะไปนั่งฟังพระธรรมที่สนุกไปวันๆเนี่ยมันไม่ยาก มันไม่ยากหรอกแล้วไปเปิดตดูเขาเล่นตลกก็แ ย, ยะแยะใช่ไหมมันมีมากไงแต่ชนเราอื่นก็ไม่รู้ทั่วถึงที่เราแสดงนะกรณีที่ว่าข้อนั้นจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยมันเหนื่อยเปล่าไยถ้าเราจะสแสวงหาวัตถุกรรมสแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องของความเสียงสารเสริอเยินยอไปวันวันเนี่ยมันเหนื่อยเปล่า เมือม่อมือม่อเมือม่อไหว่าเวลาจะจะกล่าวพรทําได้ี่อาตมากล่าวเดี๋ยวบบสนุกสนานเนี่ยก็เหนื่อยมันเหนื่อยเปล่าใช่ไหมเพราะเพราะหาคนนี้จะเที่ยวมาเจาะมาล่วงมาแกะเพื่อจะเดินตามพระธรรมของพระเจ้าน่ะมันไมน่มันหาไม่ง่ายเลยสัตว์ซึ่งเป็นผู้ยินดีในอะไรกันทั้งหลายเร้องดูที่เนี่ย รอบๆข้างเลยเกิดมาบางทีมันประหลาดจริงๆเลยเวลายิ่งยิ่งเข้าไปรู้คําสอนอย่างนี้นถ้าเรียนพวกเราเริ่มงรู้ๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันอะไรเนี่ยมันอะไรเลยใหม่ๆจะถามตัวเองงย่างนีตลอดเลยว่าโอ้โหพระธรรมเป็นอย่างนี้เออแต่สัตร์โลกเป็นอย่างนี้จริงๆคนละทางเลยอะคนละมุมเลยอะ คนเรวิธีคิดคนเรอัธยาศัยคนละเหตุคนเรปัจจัยกันเลยแล้วเราจะเห็นเนาะทําไมเราเกิดมาตรงนี้ตอนนั้นเราไม่อยู่แวดล้อมด้วยบัณฑิตทั้งหลายหรือเราแวดล้อมเราบมาดมัวเมาแล้วไปทําตันเองวิบัติตัวนี้มันถึงแล้มันมาแบบเนี้ยเออแล้วมาแล้วมันว้วเวสิหาบัณฑิตรอบข้างไม่ได้เนาะแสนจะว้าวเว หาสัตว์บุหลุดรอบข้างไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ไมญญาศึกษาวิธรรมเนี่ยมาอยู่ในในห้องเนี่ยเราจะไปคุยกับใครซึ่งจะสามารถพ่อคูณสัตว์ทิ้งซีเป็นต้นเนี่ยให้เราเดินตามร่องตามรอยของพระอาจารตาเจ้าทั้งหลายบูชาพระเจา้าได้ถูกต้องนอกจากในคําในข้อคำพีและทั้งหลายแล้วเนี่ยเราจะไปคุยกับใครเนี่ย เพราะในขณะที่เราไปสนทา น, นาไปนั่นด้วยมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะมันคนละเรื่องกันในคําสอนเขาใยายมาแันนี้อา่ารยเราพูดดิมันคนละเรื่องเลยเนะี่ยแต่เมื่อเราอยู่ในคําสอนเราจึงจะเจอที่จะประสบและพบแค่เดินห่างครับคําสอนทั้งสองสามเก้าเลยเราก็ไม่เยอแล้วเลยกลายเป็นมีอยู่คนหนึ่งพอศึกษาคําสอนรู้เธอไปอยู่ไปนั่งร้องไห้อยู่เมื่อเราอยาดมาฟับ ถามถามาทํำไมบอกว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันอยู่คนเดียวมันไม่คุยกับใครไม่ได้ก็ถามมว่าแล้วเธอจะไปคุยกับใครอาจารยมาถามว่าเธอจะไปคุยกับใครแล้วนั่นตัณหามันเรียกร้องเธออยู่มันเรียกร้องอยู่มันไม่อยากจะออกจากอะไรมันเลยก็มาอีกมุมหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยมาอีกมุมหนึ่ง มันดูเหมือนว้าวเวแต่ไม่ว้าเวหรอกคนที่ศึกษาพระธรรมนี่ก็มีสารณะก็มีที่พึ่งก็มีเครื่องกมจัดภัยใช่ไหมไม่ได้ว้าเวหรอกเพราะหนึ่งก็ต้องมานั่งคิดว่าเธอเนี่ยจะเอาตัณหาเป็นเพื่อนหรือจะเอาศรัทธาเป็นเพื่อนสองเทาตัณหาเป็นเพื่อนก็ทําอย่างที่เคยทําในสังสารวัฏที่ผ่านมาแต่ตัณหามันก็ให้สิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละให้ชาติคือความเกิดให้ชร า, าคือความแก่ให้ปยาทีคือความเจ็บ ให้ให้บรารณะคือความตายให้ความโศกความล่ำไรลําพันธ์ดังนี้ได้กล่าวให้จักคูโรโคโซตาโลโคคาณาโลโคเนะยศีรษะโ ร, คนะรโรคว่าไปโรคสารพัดโรคที่มันตามมานะี่คือตัญหาเผู้มอบให้ทนกับมันได้ไหมนี่จึงจะทนกับมันไม่ได้บางทีมันก็ให้เกิดเป็นคนมีสติปัญญาบางคนก็ให้มี ส, สติปัญญาน้อยบางคนก็ให้เป็นคนบ้าใบาบอดนวกเอาที่ มันก็จะเป็นอย่างนี้บางทีก็ให้ทรูปงามเลยบางทีก็ให้พิคนที่การสารพัดมันก็ให้ให้มันสารพัดบางทีอาชญากามเป็นมนุษย์ก็ไม่ให้ให้เพนอาบายศัตร์ก็ให้แบบประหลาดประหลาดมีตุ่มมีหนามเต็มตัวก็มีอะไราสารพัดหมดพิรุกกือกือหมดที่มันให้มาในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าขยะขยะริ่งๆเลยนะถ้าพูดไปเนี่ยนะเออมันสารพัดที่มันมอบให้เนี่ยนี่ไงเรามีเพื่อนคือตันหา คนที่มีเพื่อนคือสตาร์เาไปรีทิพานไปหมดแล้วเขาไปริทิพานหนี้ไปหมดแล้ ว, ลวกลุ่มที่ยังอยู่อๆเลาะรัดและไปมานี่ก็คือกลุ่มมีเพื่อนคือตัะหาทั้งนั้นแหละท่านถึงบอกว่าบัดนี้เราไม่ควรประกาศธรรมที่ตรัสรู้แล้วและจะตรัสรู้ได้ไม่ง่ายเนี่ยเราสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกกองแห่งความมืดห่อหุ้มแล้วจักไม่เห็นธรรมอัน คนกระแสละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูมันเป็นอนูอ่ะเป็นอนูเป็นปรมาณูยิ่งกว่าปรมานูยิ่งกว่านั้นอ่ะไม่พอเห็นยากทีนี้ฉะนั้นตรงน้องพระไทยไปแล้วดไดโนพ่าแห่งความพารณาธรรมที่ลึกซึ้งธรรมนี้ลึกซึ้ง ถาว่าลึกซึ้งยังไงถ้ามาพิจารณาตรงนี้ก็คือว่าพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพรภาคเจ้าที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนะจิตของพระบรมศ า, ศาสดานะั้นน้อมไปอย่างนั้นด้วยอนุภาพิหปัจจุเอคนายามจริงอยู่นะเมื่อพระบรมศ า, ศาสดาบรรลุสัพพัญญตญาณแล้วพิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายลกชัดไปด้วยกิเลสลบชัดทั้งภายในและภายนอกนะทั้งบริขารของตอนเองและบริขารบุคคลอื่นตรงเนี้ย คำว่าบริหารของตนเองเนี่ยเป็นลบชัดยังไงรู้ไหมเวลามาพิจารณาถึงรูปายทธนาสัญญาสัญขันวิญญาณของตนเองตามหูจมูกเลี้นกายใจของตนเองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมของตนเองหรือขันธาตุอายทานะทั้งหลายที่เป็นไปในกระแสขันของตนเองเนี่ยมันก็ลบหมดมันไม่เห็นขันไม่เห็นด้วยความเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายทานะมันเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างเดียว เห็นเป็นความบันลาวเป็นความยินดียินร้ายเป็นต้นคือมันจะมาถางใช้ปัญญามาถางอัตภาพตนเองเนี่ยเพื่อเข้าไปทะลุทะลวงเห็นความจริงของขันธ์ธาตุอายตนะมันก็ถามไม่ได้ก็แปลว่ามันลบชัดไปหมดเลยนี่ในอัตภาพของตนเองเนี่ยมันลบไปหมดแล้วมองไม่เห็นความจริงว่าขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยมันต่างด้วยความไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็มองไม่เห็น อันตามโดยเป็นปัจจารลักษณะและสามัญยลักษณะลักษณะเฉพาะตัวยิ่งไม่เข้าใจเลยเช่นลักษณะของเวทนาเป็นอย่างนี้ของรูปเป็นอย่างนี้ของสัญญาเป็นอย่างนี้ของสังขารของวิญญาณแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างนี้และสามัญยลักษณะลักษณะของเขาโดยความไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ละอย่างนั้นลบชัดหมดเลยมันมืดมนนนาการเหมือนป่าภัยเหมือนแขนงไัยที่มันห่อหุ้ม บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถจะเข้าไปเอาลำไม้ไผ่ได้เลยมันหนานแน่นมากนี่นี่บริขารของตนเองก็ลบชัดอย่างนี้นะในบริขารของบุคคลอื่นอันต่างด้วยลูกภรรยาสามีเป็นต้นอะไรเนี้ยก็ลบอย่างเนี้ยเรามองขันของบุคคลอื่นก็ไม่เห็นด้วยความเป็นของไม่งามไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นน่าตาไม่ได้มองเห็นด้วยความเป็นขันธาตุอยายตนะเลยอเ่ยลักษณะเฉพาะตัวก็ไม่เห็นและสามัญลักษณะก็ไม่เห็น ทั้งบริหารต้องตนเองด้วยไหมทั้งบริหารกับบุคคลอื่นทั้งภายในด้วยไหมทั้งภายนอกด้วยนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าบุคคล น, นี้เราสอนยังไงก็สอนไม่ได้นี่เราจะกรุณนายังไงถ้าสอนสอนอย่างนี้ก็สอนไม่ได้เราจะกรุณายังไงลองตั้งวิธีกรุณาให้ดูหน่อย ด, ดูจะตั้งยังไง ถ้าเรามีเวลาจำกัดว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้อีกสิบปีห้าปีแต่เรามีคนที่เกี่ยวข้องเป็นเพื่อนพี่น้องลูกหลานแต่เราก็ดูแล้วมันยังไม่เห็นวันทางว่า จ, าจะสอนเขาอย่างไงท้อไหมเราจะท้อไหมเราเราจะสอนเขาอย่างไรเนี่ยเพื่อเขารู้ ใช่ไหมหรือเรามองออกด้วยว่าไม่รู้จะสอนอยังไงมันไม่ใช่ไม่รู้จะสอนอยังไง ร, รู้ว่าสอนน่ะได้แต่มันเหนื่อยอ่ะต้องทุ่มแบบว่าเลี้ยวแรงทั้งหมดเนี่ยบางทีเอาต้องมางั่งอัดข้อมูลไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ, อ ย, ๆอย่างนี้นะอัดข้อมูลไปแล้วเขาก็ไม่น้อมที่จะรับข้อมูลเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะเขามีเขามีอะไรเยอะแล้วก็พยายามบอกอันนี้ตงกว่า น, นะ พอดีอยังไงยังไงแล้วก็ค่อยๆ อ, อ, อัดข้อมูลไปพอใจเขาถอดไปก็ไปบอกไว้ใหม่ว่าไปเล่าปรมจิตเขาหน่อยนะรดีนะการออกจากภพกเป็นเรื่องที่ดีการอยู่ในภพเป็นโทษนะแล้วพอใจเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาก็อัดข้อมูลใหม่พออัดไปเขาก็เทาะทอก็อจะไปเขาจะเป็นอื่นไปแล้วเขาไปอ่ข้อมูลอีกเฮ้ยอย่าไปชิดมากมันยังมีมันยังดีอะไรต่างๆเยอะใหม่ๆเป็นอย่างนี้แหละแล้วอัดข้อมูลไปใหม่ ่าถ้าเราเจอเนีเข้าใจยังมันอย่างนงี้นนนยนี่คือคือถ้าเราจะถนอมไข่สักใบเนี่ยเสี่ยงมากโอกาสแตกมันสูงเะยใช่ไหมโดยสํานวนก็คืออุ้มไข่วิ่งบนหิน ก็จะถึงเวลาด้ยเวลาแล้วก็น้อยมันมีหลักหลักชอ้อยู่ใช่ไหมหลักใช้อยู่ว่าเราจะต้องถือไข่มันยังไม่ให้ล้มถ้าล้มไข่แตกโอ้ยเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลยเดี๋นี้ฉะนั้นพระเจ้าก็มีเวลาจำกัดมันมีเวลาจำกัดแต่สัตว์โลกไม่เข้าใจคาว่ามีเวลาจำกัดก็เป็นผู้เผยเผยฉันหลังให้เดี๋ยวท้งบ้า ใช่ไหม mm hmm. ก็สัตว์เหล่านั้นเหมือนอะไรดีมัน mm hmm. บอกว่าพิจารณาแล้วสัตว์เหล่านั้นลกชัดดังที่ได้กล่าวและความที่เป็นธรรมนี่เป็นของที่ลึกซึ้งด้วยความที่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยลกชัดไปด้วยกิเลสและความที่ทําเป็นของที่ลึกกิเลสเน่ยเป็นตัวรกชัดเนี่ยปรากฏโดยการทั้งพวงลำดับนั้นนพระองค์ก็ดมฤติว่าสัตว์เหล่านี้นเหมือนน้าเต้าที่เต็มแล้วในน้ำข้าว เหมือนตุ่มที่เต็มแล้วด้วยเปลียงเหมือนผ้าเก่าที่ชุ่มด้วยมันเหลวและน้ํามันเห ม, นมือนมือที่เปื้อนด้วยยาหยอดตาเต็มไปด้วยกิเลสเ้าหมองอย่างยิ่งกําหนัดเพราะราคาขัดเคืองเพราะโทสะรุ่มหลงเพราะโมหะสัตว์เหล่านั้นจะแทงตลอดได้อย่างไรเห็นใจเลยเห็นใจพ้ะ เ, เจ้าเออจะแทงตลอดอริยสัตว์จะแทงตลอ ด, อ ท, ท, ลอดทุกเนือ้อการกําหนดรู้ได้อย่างไรจะแทงตลอด สมุทยสจัดโดยการละเป็นสมุจิถ้าประหารได้อย่างไรจะแทงตลอดนี้โลดกล่าวคือพระนิพพานโดยการกระทั่มให้แจ้งได้อย่างไรจะแทงตลอดมรรคือสมาธิฐิเนี่ยประชุมอริยมรรคเพื่อเป็นเป็ น, ป, นปัจจัยในการประหารกิเลสได้อย่างไรถามว่าจะแทงตลอดได้อย่างไรเนี่ยก็น้อมพระไทยไปอย่างนี้เมื่อน้อมพระไทยไปอย่างเนี้ยด้วยอนุภาพเป็นการพิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายโลดชัดคือกิเลส ทีนี้คําว่าน้องประไทยไปอย่างนั้นแม้ด้วยอนุภาคแห่งการพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งบอกว่าธรรมเนี่ยลึกซึ้งเหมือนกับน้ํารองแผ่นดินนะเห็นได้ยากน้ํารองแผ่นดินเห็นยากไหยแล้วมองไปไดลก็เห็นแต่แผ่นดินไปมองเห็นน้ำไหมวันว่าโลกใบเนี้ยมีน้ําอุ้มอยู่เนี่ยน้ํามีลมอุ้มอยู่เออเห็นไหมใช่ไหยลึกอย่างนั้นเน่ะต้องมองทะลุไปสองแสนสี่หมืนยอดเนี่ยถึงจะมองเห็นน้ําอ่ะ ท่อไมนะ่ล่าอันนี้ทอก็อยู่กันอย่างเงี้ยทีนี้แจ๊ดที่บอกน้อมน้อมบอกว่าเข็นได้ยากเหมือนเมล็ดพันธุ์ประกาศถูกภูเขาทับอยู่อะไรที เ, เมล็ดพันประกาศวางปุ๊บก็ภูเขาไปทับไว้จะหาเมล็ดพันประกาศนั่นแหละกว่าจะได้ตัดสรุปทำเนี่ยเหมือนขุดขุนเขาสินเนรูอ่ะ ในสังสารวัตที่ผ่านมาที่พุทธเจ้าคุยหาคุยหาทำเหล่าเนี้เหน็ดเหนื่อยอย่างนั้นเนี่ยเราจะตายแล้วเกลียดแต่ภาพในการที่ค่อยๆใช้มือตะกุยตะกุยเม็ดถินเม็ดทรายออกก็จะหามะเมล็ดประกาศเนี่ยอันนั้นยังง่ายกว่าการหาโพธิยานที่พระ อ, องค์ทรงหาถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นคุณของท่าน ว่าโอ้โหยกว่าจะได้มาแน่แรกไม่รู้กี่อัตภาพแรกไม่รู้กี่ชีวิตมันไม่ไม่ได้มาโดยโดยไม่เสียเลยเอะ่ะใช่ไหมนั่นจะบรรลุธรรมะที่เลิศมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรนะมะที่เล็วนะั้นต้องอาศัยธรรมะที่เลิศเนี่ยถึงจะไปแทงตลอดธรรมะที่เลิศได้เพราะว่าจะต้องจะต้องควยคว้ายายมัคให้ได้ถึงจะได้นิพพานเนะี่ยมันจะต้องบรรลุด้วยธรรมะที่เลิศ ไม่ใช่บรรลุด้วยธรรมะที่เร็วไม่ใช่บรรลุด้วยอกุศลและบรรลุกุศลก็ไม่ใช่กุศลชั้นต่ำ ม, มันต้องเป็นกุศลชั้นโลกุตราทถึงจะสามารถได้ปรินิพพานจะได้อนุปาทาปริญนิพพานไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยตรงนี้นี่แหละถามว่าพราะองค์ยอมแลกตรงนั้น่ะปัญญาอย่างท่านเนี่ยฟังคนอื่นบรรลุก็ได้ง่ายมากแล้วไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อย แค่นั้นตรงนี้นี่แหละแทงตลอดได้ยากเหมือนกับเอาปลายต่อปลายแห่งขนทรายเนี่ยที่แยกออกเจ็ดส่วนก็หมายความว่าขนทรายเนี่ยมันเล็กอยู่แล้วใช่ไหมแยกขนทรายเนี่ยขนทรายขนทรายก็คือขนของสัตว์แต่เอามาแยกออกเป็นเจ็ดส่วนเอาเจ็ดส่วนนั้นมาต่อกันยากเลยไครจะต่อได้โหต้องเพียรพยายามออมหนึ่งอ้อมจิ้ม ฟึดเน่ยผิดอีกอแล้วต่อกันไปเรื่อยๆทีมันเล็กจัดะเนื่องตาเราก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยต่อกันอย่างเงี้ออยเอานั่งต่อกันเนยจนมันชนกันเต๊ะพอดีอ่ะอยากไหม น, นั่นแหละหรือโพเทชชอท้อไหมนั่นแหละจริงอยู่นะเมื่อเราพยายามก็จะแทงตลอดชื่อว่าทานที่ไม่ให้ไม่มี ก็หมายความบอกว่ามองดูแล้วเนี่ยในจั ก, กรวาลนั้นสิ้นเนี่ยที่ไม่เคยให้ไม่มีโอ้โหขนาดนั้นเองคือมองเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยอย่างเรายังเยอะเยอะเลยใช่ไหมบางทีเรามองเห็นอหนังสือเห็นวัตรัยปดอกเห็นถึงดีๆทั้งหลายที่เรายังไม่เคยให้เยอะใช่ไหมโต๊ะเก้าอี้สิ่งของต่างๆนี่ยังไม่เคยให้เยอะหมดเลย แต่พระเจ้าว่าในโลกใบนี้ดูแล้วเนี่ยหรในโลกอื่นๆเนี่ยที่ดูแล้วที่ไม่เคยให้นลยที่ไม่เคยเอาบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยโอ้โหดูทานต้ององค์ก็องค์ดูทานดูเราเนี่เต็มไปหมดเลยนั้นก็ไม่เคยบูชานี่ก็ไม่เคยสละก็ไม่เคยให้อีกเยอะหมดพระพุทธเจ้าไม่เคยแล้วอันที่ไม่เคยให้นะไม่มีเลย แล้วก็บอกว่าศีลชื่อว่าไม่เคยรักษาก็ไม่มีไม่เคยบำเพ็ญมาก็ไม่มีเป็นต้นก็ว่าไปตามลําดับเ น, เนี่ยเมื่อเราเน้นกําจัดกองทับมาร เ, เหมือนหมดความพยายามแผ่นดินไม่ไหวเนียแม้ระลึกปภูปเพนิวาสานุสติยานเนี่ยในปฐมพยามแผ่นดินก็ไม่ไหวพยานเกิดขนาดนั้นยังไม่สามารถให้แผ่นดินไหวได้นะ แม้เมื่อเทีประจักษสู่ในมัชถิมัยามพันดินก็ไม่ไหวอีกแต่เมื่อเราแทงตลอดปฏิจจสมบาทสรุปลงอริยสัจสีในปัตถิมัยยนหมื่นโลกธาตุยังหวั่นไหวแล้วแม้คนเช่นเราในใช้ยานปัญญาแก่กล้ายังแทงตลอดทำนี้ได้โดยยากทีเดียวและโลกียมหาชนในจักแทงตลอดทำเราคืออริยาาสัจสีปฏิจจสมบาทเหล่านั้นได้ยังไง เนี่ยนิสาเหยุถึงการไข่ครวนแล้วพระองค์ก็ค้นขวายน้อยฉะนั้นเมื่อพระองค์น้อมพระทัยไปเมื่อไม่แสดงธรรมลำดับนั้นสมบดีพรมอันตรทานจากพรมมาโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพาคของพระบรมศาสดานะเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดออกซึ่งแขนคูซึ่งแข น, แขนออกเอียดออกแล้วคู่เข้าของแขนฉะนั้ น, นครั้งนั้นสมบดีพรมทําผ้าชูเยียงบ่าข้างหนึ่งคุก ชานุมณฑลเบื้องขวาลงบนแผ่นดินปนมัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมเถิดขอพระสุคตเจ้าโปรดแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสทุรีในดวงตาน้อยเป็นปกตินั้นยังมีอยู่เจ้มะ ต้องขอบคุณพรมเขาไหมเนี่ยถ้าขอบคุณพรมเนี่ยต้องไปไหว้พรมต้องไปไหว้ถูกอีกใช่ไหมขอบคุณพรมมันเยอะที่จริง ถ, ถ้าตาบอีกส่วนนึงแตนพูดถึงการไหว้พรมที่ถูกขอพราสุคติญาบสดแสดงธรรมสัตว์ผู้มีกิเลสทุรีในดวงตานะ้อยเป็นปกติก็มีอยู่ เพราะไม่ได้สดับย่อมเสื่อมจากทเพราะไม่ได้สดับพระสัตว์ทำก็เสื่อมจากทำสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทัวงถึงทำในจักมีเป็นแน่บอกว่าขอพระผู้ให้ภาะเจ้าอย่าละเลยอุคติตันยูวิปปิตันยูเนยยเลยในตนน้องอีกนะเพราะท้าปรมาไม่ได้ตแตสรู้แน่แต่ก็อย่าละเลยเลยก็คือว่าสัตว์สี่จ้าพวกในขอพระ อ, องค์อย่าละเลยเถอดสามดีพร้อมได้กาดทูลแล้วครั้งนั้นได้ ตราบบงคมทูลแล้วเนี่ยเยมื่อราชนาที่เขาบอกว่าทันแล้วได้กราบทูลเป็นนิคมคาถาอีกบอกว่าเมื่อก่อนทำที่ไม่บริสุทธิ์ที่าศาสดาผู้มีมณทินทั้งหมดคิดขึ้นแล้วอดีถามว่ า, าศาสดาที่ไม่บริสุทธิ์มีเยอะหมดเดี๋ยวาศาสดาปัจจุบันก็มีเยอะหมดเลยใช่ไหม ปุรณะกัสปามคคิริโคสาลัาิตาเถสกรรมปนสันชัยเวรัตพุตรปะปุถากจจยยนะนี่คนน้าตาบุตรเนี่ยเป็นต้นเนี่ยศาสดาหเหล่าเนี้เป็นบุคคลที่ไม่บริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะมานะทิฏวิจิกิจชายงี้ได้การโนไดป้ปังแต่บุคคลเหล่านี้ก็ขยันสอนจังวะกั้นเถอะขยันผลิตธรรมวิปผลิตออกมาจริงจยิงยอดคุณเลย ที่มาในโลกแบนี้ขยันสอนกันจริงๆคนมุขไม่รู้สอนคือคนไม่รู้สอน่าทาเนี่ยมันน่ากลัวขยันสอนกันอย่างนี้มาเปิดวิทยุโดยที่แต่ไม่มดวนโทรทัศน์ไปทุกช่องขยันจะบอกจะกล่าวทั้งวันทั้งคืนเหวทสิมีสารพัด ที่เเชิญชวนวิธีคิดอีกหลากหลายมากมากม า, กมายนักเนี่ยพวกเป็นาศาสดาที่มีมุนทินทนั้นไยคือกิเลสคือราคาโทสาโมหะเป็นต้นแล้วราคาโมโทสาโมหะที่ฝังแน่นในจิตใจของเขาเลยแล้วเขาคิดอะไรออกมางฉนั้นปรากฏอยู่ในหมู่ชนเป็นอันมากด้วย แม้แต่เห็นไหมว่าถ้ามามองๆ อ, อย่างนี้ว่าคนที่จะประกาศถึงที่ถูกต้องกับคนที่ประกาศสิ่งที่ผิดผิดแล้วมันเทียบกันได้ไหมเทียบได้ไหมคือไปนาที่ตรงไหนเห็นเห็นเขาโฆษณากันเห็นเขาเชิญชวนกันเนี่ยเวลาเขา มีกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาพร้อมที่จะไปฟังกันนะช่วกอ่อนมีเขามีการแข่งกันกันแข่งกันดูพระบรม7วัน7คืนเนะี่ยโอ้โหเขาทนอดตายแบบนึงเขาบอกว่าไปจองกันเนี่ยเสียเงินเส้อทองด้วยนี่เนี่ยเ น, นี่ไปจองกันเนี่ยบอกว่าเต็มเลยว่างั้นนะไม่ต้องประกาศมากเลย ลองมีกิจกรรมที่จะมาศึกษาวัฒนธรรมเอาความโง่ออกจากใจนะ่แล้วมีใครจะสมัครไว้ไ้มเอาไหมไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาเลยเนี่ยฉะนั้นตรงนี้เราปรากฏขึ้นในหมู่ประชาชนขอพระองค์ทรงโปรดจงเปิดประตูอมาตะเถอดประตูอมาตะคือประตูของบ้านิาพพาน ขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระผู้มีพระเจา้าผู้ปราศจากมลทินตรัสรุนแลเหตดอันนี้พูดบอกกับสัตว์ก็พรหมเนี่ยมาบอกใช่ไหมเพราะคนในยุคนั้นเนี่นับถือพรหมก็ประกาศเลยพรหมตนเนี่ยสมเด็พรหมเนี่ยมีเท้ามหาพรหมเป็นบริวาร ห, หมื่นหมื่นหมื่นท่านหมื่นองมันเป็นใหญ่มากเท้ามหาพรหมเนี่ย มีกลุ่มพวกหมาพรมทั้งหลายเนี่ยเป็นบริวารด้วยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยพรมเนี่ยแล้วแล้วพอพูดเรื่องพรมเนี่ยต้องไปต่อที่พรมพรมสั่งยุทธ์มันเชื่อมโยงกันอย่างนี้ทั้งกันจะไม่รู้จักพรมหรอกว่าพรมสอนอะไรเข้าไว้ว่าคนนับถือแล้วพรมไปเห็นผิดยังไงใช่ไมอมต้องไปดูดูเพราะพรมเขาเห็นพรมเคยเข้าใจผิดเรื่องสังสารวัตรยังไง แล้วไปสำคัญตนยังไงนี่ต้องเชื่อมโยงให้เห็นแล้วจะให้รู้จักชมมากขึ้นนีัยเวลาศึกษาคําสอนนี่มั้กระทบกันไปลูกไรน่าเลยป้อป้อเลยพอพูดเรื่องหนึ่งกระทบเรื่องหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งกระทบเรื่องหนึ่งแต่เชื่อมโยงไม่ได้เลยเรียบร้อยเลยคาขาดตอนความเข้าใจทันทีเลยทีนี้ทีนี้ปริมาณของการศรัทธาของสัตว์โลกนั้นไม่พอไม่พอต่อทนฟังพระธรรมของพระเดชะหรอกจะมา ทังผู้แสดงและผู้ฟังนี่แหละจะไปเลยซะก่อนแล้วแล้วความเข้าใจไม่ถึงก็ก็ตัดสู้ไม่ได้อีกเนี่ยเป็นแบบเนี้ยตรงเนี้ที่บอกว่าจึงขอสัตทั้งพวงจงปังพระธรรมที่พระผู้ไอ้พระเจ้าผู้ปราศจากมณทินตัดสู้แล้วเถิดขอพระองค์ผู้มีพระปัญญาดีนะที่มีจักสู่รอบคอบมีปราศจากความโศกและจงสเสด็จขึ้นสู่ปราสาทเนี่ยสาคัญมากเลยเนี่ย แสดงขึ้นสู่ปราสาทอันสําเร็จด้วยธรรมจงพิจารณาหมู่ชนผู้มองผู้จมอยู่ในความโศกความลําไรลําพันธ์เป็นตัวผู้จมอยู่ในชาติทุกข์ชราทุกพยาที่ทุกข์มาแล้นะทุกครอบงําอยู่เนี่ยโปภาสเหมือนบุคคลผู้บุญยืนอยู่บนภูเขาอันล้วนด้วยศิลาเนะี่ยจะเห็นชมชนได้โดยรอบเชนนั้นหรือไงปัญญาภาษาโท น, นี่สาคัญอยเลยนี่ถ้าเราอยากจะเห็นว่า เหล่านั้นเนี่ยหมกมุ่นในวัตถุ ก, กรรมและในกิเลสกามหรือไม่ต้องกายวิเวกจิตตวิเวกจะเริ่มเห็นกลุ่มที่มีอุปธิกลุ่มที่มีกิเลสที่เขากําลังวิ่งกระเสือร์กระสนกันอยู่จริงๆเริ่มจะเห็นบ้างถ้ายิ่งได้ความสงบสากกิเลสได้มากเพียงไรยังไม่ได้ละได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะ การที่จะเห็นหมู่สัตว์นั้นลกชัดทั้งภายในและภายนอกจะมากขึ้นจะเห็นบริขารของตนเองและของบุคคลอื่นนั้นเต็มไปด้วยกิเลสมากขึ้นแต่ถ้าหากไปครกอยู่ในนั้นนะทํำยังไงก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆประหลาดเพราะมันไม่มีปัญญาภาษาถ่มันไม่ขึ้นสุภูมันไม่ได้ขึ้นอยู่บนภูดูเขาดูกิเลสเขา้าเขาแสดงอิทธิบปฏิหาร ฉะนั้นแม้แต่สถานที่ที่จะใค่ายควรเนี่ยท่านจึงต้องหาเลือกเฟ้นจริงๆอย่าแปลกใช่ไหมเคยบอกกันไหมบอกว่าให้บอกเอ้มาไม่น่าจะตัดจรู้คือคือบางทีมันไปไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นไงมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะจริงๆเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มัน เผอเลิมมากที่สุดได้มีววการเผลอเลิมมากที่สุดมันเห็นอยู่แต่การเห็นไม่ต่อเนื่องมันรู้อยู่การรู้ไม่ต่อเนื่องมันเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจไม่ต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเน่ยยังความสัมเวยสลดใจเกิดอยู่แต่มันไม่ต่อเนื่องไอความไม่ต่อเนื่องตรงนั้นมันเลยการเป็นความไม่แข็งแลง เพราะความไม่แข็งแรงของศีลสมาธิปัญญาของศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยและจมอยู่หมกมุ่นอยู่เข้าใจว่าอยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันเป็นอย่างงั้นนอนไม่เคยรู้ว่าเขาจมอยู่ในสิ่งที่ปฏิคูลแต่ถ้ามีหมอนนอนจนยิ่งจะเสือกะสนขึ้นมาล้างเนื้อล้างตัวเปิดเสร็จเหลียวลงไปนั่นแหละ มันจะเริ่มเห็นนะมหมนอนนี่มันยุ่งยากไปด้วยสิ่งที่ไม่งนินทั้งหลายนี่จุดหนึ่งอันนี้จุดหนึ่งนะนี่หมายถึงกลุ่มที่ว่าปัญญาถ้าปัญญาดีๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็เห็นช่วยเขาก็หนีออกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมจ๊ะนี่ไปที่นี่นี่คือคําตอบที่ที่บางคนสงสัยตัวเองว่ามันไม่ได้ไประยุทเนี่ยเห็นว่าเป็นอย่างนไง มันนัน้นเพียงหนึ่งปัจจัยแล้วยังต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมอีกไม่น้อยข้าแต่พระองค์ผู้แก้วกล้าหมู่ผู้ทรงชนะสงครามแล้วผู้ทรงนําหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์จงสเสด็จลุกขึ้นเถิดจงสเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงสแสดงคมเถิด ผู้รู้ทั่วถึงตามอย่างนี้ลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงปารกการเชื่อเชิญของผมและทรงอาศัยกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงสอดส่องดูโลกด้วยพุทธจักสุขเป็นต้นก็ว่าไปตามลำดับอันนี้คือในสูตรในในใ น, ในพระธรรมทีนี้ปร a ม m พิจารณาดูตรงที่ว่า ทรงน้อมพระทัยไปอย่างนั้นแม้ด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งธรรมที่ลึกซึ้งเหมือนน้าที่รองแผ่นดินเห็นได้ยากเหมือนกับเม็ดพันประกาศที่ถูกภูเขาทับเข้าไว้แทงตลอดได้ยากเหมือนกับเอาไปต่อไปลายขนทรายที่แยกออกเจส่วนจริงอยู่นะเมื่อเราพยายามเพื่อจะแทงตลอดธรรมซึ่งทานต่างๆที่ไม่ให้ก็ไม่มีการรักษาศีลเป็นต้นที่ไม่เคยรักษาศีลก็ไม่มี เราบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏแม้เรานั้นกําจัดกองทัพมารเหมือนหมดความพยายามแต่แผ่นดินนั้นก็ไม่ไหวขณะพยามารบ่ายแพ้ไปแผ่นดินก็ไม่ไหวทําปุกเพนิวาสานุสติญาที่เกิดขึ้นและเลึกชาติเป็นอนันตชาติอนันตกรปั้แผ่นดินก็ไม่ไหวรู้จักจุติชาําระจักสู่ของตนให้บริสุทธิ์นะจากมณทินเครื่องเศร้าหมอง โดยการเห็นจุดติเห็นปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายแม้แผ่นดินก็ไม่ไหวในมัจฉิมยามเนี่ยแต่เมื่อเราตัสรู้ปฏิดจะสูบบาตัสรูอริยสัต ส, สีในปัจฉิมยามหมื่นโลกธาตุก็ธาตุ ก, ก็หวั่นไหวดังนั้นแม้คนเช่นเรายังต้องใช้ปัญญากล้าหานแทงตลอดธรำนี้ได้โดยยากทีเดียวโลกยิยงมหาชนจักแทงตลอดธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรต้องคิดพิดจารณาดูทีว่าเวลาพระองค์จะตัศรู้เนี่ย พระองค์พิจนารณาญานของพระ อ, องค์เนี่ยใช้ปกเพรนิวาสานุตยานราลึกทั้งหมดยังก็ไม่ได้ตัดสรู้เท่านี้เห็นเข้าใจด้วยแต่ยังไม่ได้ตัดสรู้เนี่ยรักสกายยทิฏฐิได้ด้วยโมหะในที่เป็นมาในอดีตในสังสารวัฏนี่ถูกขจัดหมดโมหะที่เป็นความมืดมนอุนทะกาลอยทั้งหลายเนี่ยถูกส่องสว่างขึ้นมาเห็นกระจ่างชัดในกระแสะขันได้หมดเลยเนี่ย แม้จุติและปฏิสนธิที่เป็นไปในสังสารวัฏทั้งหลายนั้นก็ชําระปัญญาจากสูุให้เห็นได้ในมัจฉิมยามยเออแผ่นดินไม่สว่างสวัยเลยก็ปแปลว่ายังละกิเลสไม่ได้เลยอะ่ะแม้ในปัจฉิมยามเนี่ยจึงใช่ใชไหมวิปัสสนาญาณอีกแปดเริ่มตั้งแต่อุทยาพยาญาณ น, นะเป็นต้นอาทีนะวายาณเป็นต้นเลยเนี่ยนะมาไถ่ควรกระแสขันเนี่ยสรุปแล้วสี่ชั่วโมงครึ่ง บำเพ็ญบรารมีมาถ้าพูดกันอีกมุมนึ่งนะบำเพ็ญบรารมีมายี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับใช้ความเพียรทั้งปฐมยามมาฉิมยามแล้วปฐิฉิมยามทำเนี่ยใชไใช้กว่าจะตัดทะลุได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ยามต้นสี่ชั่วโมงยามกลางสี่ชั่วโมงและยามสุดท้ายสี่ใช้เวลาสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยสัตเออสิบสองชั่วโมงเนี่ย แค่เวลาสิบสองชั่วโมงเนี่ยบารมีขนาดนี้สิบสองชั่วโมงถ้าเทียบกับสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยแล้วจะตัดสิรู้ยังไงใช่ไหะสัตว์ที่ไม่เคยเอาทําทานบารมีมาเท่าไหร่ที่จะตัดสรู้อ่ะศีลบารมีขาดอยู่เรื่อยเลยสมมุติเนี่ยสมมตุติแล้วจะตัดสรู้อะไรตรงนี้ ศีลมันก็หลุดๆพร่องๆอย่านนี้แล้วเราจะเป็นเครื่องตัดสร่ว่าจะขัดกลีวโทสะได้ยังไงใช่ไหมศีลดี๋ยก็หลุดเนาะเมตตาเดี๋ยวก็หลุดเนาะขันติบา ร, รมีก็หลุดเนาะทาอย่างเงี้ยอ้าวปัญญาบา ร, รมีไยแต่บังไม่ได้บ้างนะแล้วจะขัดขัดเก้เายวโมหะทิยาศัยยังไงก็เรามาเป็นมาขนาดเนี้ยยังต้องใช้ความเพียรขนาดนาออเนี้ยมองไหมเนี้ย นั่นแหละคือความน้อมพระทยในการยูความฝ่ายน้อยเก่งพูดอย่างนี้เหมือนเราจะอึดอัดหมดเลยยอมไหมคือไหมั้มไม่อึดอัใช่ไหมนี่ว่าพูดไปอึดอัดโดนยงงมันพอแล้วแล้วถ้าไม่อึดอัดจะทําไง ไม่อิจาระจะทำยังไงอันิยาต่อายต่อการรพงในวิรงตั้งสรจริงๆตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอิาจาระเเป็นเรื่องที่จะต้องเพราะว่าจริงๆอย่างเราเนี่ยน่าก็เป็นโอกาสดีแสนดีที่ เราได้เกิดมาทันพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าน้างโอกาสในการที่จะบ่มเพาะบารมีทั้งหลายมีมีค่อนข้างเยอะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพรมราชนาแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระทัยไปอย่างนี้เพื่อเป็นผู้ประสงค์จะแสดงธรรมโปรดนะ เพราะการอยู่ในฉลังกุเปขาของพระเจ้านั้นทําให้พรมเล่าร้อนใช่ไหมทำให้พรมมีเล่าร้อนแล้วถ้าหากว่าพรมมาราตนาเนี่ผลดีจะเกิดขึ้นกับการแสดงธรรมผลดีจะเกิดขึ้นกับัตว์หนึ่งสัตว์นั้นจะตั้งใจฟังพระธรรมมากขึ้นแทนที่อยู่ในอํานาจของพรมมายาวนานแล้วพรมเป็นผู้บงการมาอย่างยาวนานแล้วอ้อนวอนพรมมาอย่างยาวนานแล้ว ทีนี้เมื่อพระผู้มีพระเจ้าทราบว่าเมื่อจิตของเราน้อมไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยมหาพรหมจะกระาษนาเราให้แสดงธรรมและสัตว์เหล่านี้เป็นผู้เคารพแต่พรหมใช่ไหมสัตว์โลกทั้งหลายขึ้นตรงต่อพรหมเคารพต่อพรหมสัตว์เหล่านั้นสําคัญว่าได้ยินพระศาสดาไม่มีพระประสงค์จะแสดงธรรมเมื่อพิจาอย่างนี้มหาพรหมก็จะราตนาเราให้แสดงธรรมว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ทำเหล่านี้สงบหนอประณีตหนอดังนี้ก็จักตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นพึงจ่าเพรา่อาศัยเหตุแม้อย่างนี้จิตของพระ อ, องค์นั้นจึงน้องไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยไม่ใช่น้อยไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมฟังมีคนชื่นใจยทีนี้พอเรารู้อย่างนี้ต้องรู้แล้วให้เป็นผลดีนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวองค์ต่อไปมาตัดสูเดี๋ยวผมก็อราธนาแล้วก็ได้ฟังอีกเห็นนะคิดอย่างนี้ว่า คือพระสามดีพรมเนี่ยเป็นเป็นภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปัตทำปฐมมชานี่ตั้งขึ้นเกิดเป็นพรมเยายุกลับหนึ่งในปฐมมชานได้ปฐมมชานชนเหล่านั้นลูกจากท่านว่าสามดีพรมมุ่งหมายถึงพรห ม, มุโนสามปฏิตจสารท่านผู้เจริญทั้งหลายโลภใจฉิพายแล้วนิสสติวตโพได้ยินว่าพรหมนั้นเปล่งเสียงเนี่ยนะพรหมในหมื่นโลกธาตุฟังแล้วมาประชุมกันทันที ลูกพี่ลูกพี่ประกาศแล้วมีเรื่องเด่นร้อนแล้วก็รีบมาเลยฉะนั้นได้ปรากฏพร้อมกับพรอมอีกหมื่นนะคำว่าผู้มีกิเลสทุรีในดวงตาน้อยเป็นปกติเนี่ยสัตว์โลกชื่อว่าอั ป, ปรชักคชาติกาเพราะมีทุรีคือราคะโทสามโมหะนีตรงตาสเปรดได้ปัญญาโน้อยคือนิดหน่อยเป็นสภาวะอย่างนี้นั้นคือมี กิเลสทุลีในดวงตาน้อยคืออย่างนี้กิเลสของท่านเราได้เกิดในกบุญลันดานได้น้อยเขาเรมีกิเลสคือทุลีในดวงตาเนี่ยน้อยก็ลองมานั่งพิจารณาย้อนอด like ีตดูเอาแค่พอจิตว네ิญญาณพบราคาตทสาโมหะเนี่ยเป็นไปกับชีวิตประจำวันน้อยหรือมาก ถ้าน้อยเขาเรียกว่ามีกิเลสคือทุลีในดวงตาหนะน่อยน้อยถ้ามันเกิดทีบ่อยๆเนี่ยแปะกิเลสคือทุลีในดวงตาหนาะมากใช่ไหมในดวงตาท่านเลยได้ปัญญาคิดนิดหน่อยเป็นสภาวะอย่างนั้นเพราะเพราะไม่ได้สดับเนาะอัศวะตะหน้าตาเนี่ยเพราะไม่ได้ฟังจักมีท่านแสดงว่าผู้บำเพ็ญบุญมาเนี่ยเก่าแล้วด้วยอํานาจแทนบุญกิริยาวัตถุ ทานทานักกุศล่เป็นต้นเลยทานศีลภาวนานถต่ว่าคนที่มันเป็นบารมีมาในพระเจ้าองค์ก่อนมีเยอะนี่ใช่ไหมทานบารมีเป็นต้อนอะไนี่เออไม่ทานนักุทานศีลภาวนานะอภจายาณเวยาวจา่าปนฏะิทานะทานธรรมสวัสดธรรมเทวนาแล้วก็ทิฏฐิชั่วกรรมทั้งหนายในพระเจ้าองค์ก่อนนะถึงความแก่แก่แกล้า หวังแต่การได้ฟังคำเท่านั้น